ผู้ไม่ยอมถือศาสนาอื่นก็คือภูมิของพระโสดาบันเราดีๆนี้เองพระรักษากายคิดผิความเห็นถือตนถือตัวในศาสนาพุทธวิกิกิจรขาไม่ดังเลสงสัยในศาสนาพุทธทีรพตปรามาสไม่ลูกคำคำสอนของพระพรมศาสนาเลยเห็นแจ้งสว่างกระจ่างใจมรินทำได้นับโดยมรคนแล้ว จะภาวนาอดข้าวอดปลาจนคุ้มผมคุ้มขนหล่นก็ตามถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าเสียดายอยากล่วงอบายยมุขมันก็ไม่ใช่พระโสดาวันมันก็เป็นพระโส ด, ดันสวาโสดาโสูขคาดขณีใช่หรือไม่จะภาวนาจน ขุ้มผมกุมขนหลุนก็าตามถ้าเสียดายล่วงละเมิดสิน่าเสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเสียดายค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นแรนื้สัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ําเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยเฮ็ด นั้นจิงมองเห็นสั่งพระนิพพานแลว้วจิงละสักกายชิธิวิกิกิจษาสีรละปัตตปรามาตไปในตัวนะที่นั้นเองความยินดีในโลกทั้งปวงก็คือความยินดีในลุมฐานเพิ่อพระโสดาบันไม่ได้ยินดีในโลกทั้งปวงเลย ทำอะไรด้วยกายวาจายใจหวังเพื่อจะหุดเจ้าพ้นจากวัฏสงสารทั้งนั้นเช่นปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อรอกกินขนมเขาเพื่อพ้นทุก์ในวัฏสงสารเท่านั้นอันนั้นคือภูมิพระโสดาวันไม่ถือเลิกดียามดีไม่ได้เอาพระไปขแขวนพอแต่ว่าเอาขแขวนใจไว้นั่นภูมิพัสดารวัน เมื่อถึงพระโสดาบันแล้วพระพธาคามีนาคามีอรหันต์ก็เปิดประตูไปเองนโมเบื้องต้นของพระโสดาบันนโมแปลว่านอดน้อมนโมพระพกทธาคามนโมพระอนาคามนโมพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนนโมจบแล้วคือนอดน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงอันในดเลยเรียกว่าจบความนอบน้อมแล้วเหนือความนอบน้อมไปแล้วใช่หรือไม่ ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันสัพพทาคามีปัจจุบันอนาคามีปัจจุบันพระหันปัจจุบันพระหันจบแล้วพุทธสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธจำพวกหนึ่งปัจเจกพุทธจำพวกที่สองสาวกพุทธจำพวกที่สามสามิกาพุทธจำพวกที่สี่นี่เรียกว่าพุทธสี่จำพวกพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ ธรรมะสองไว้ชมพูโลสังฆบัติผพู้รก็จริงแต่ว่ามีคุณค่าต่างกันจะตีเส่ยกันไม่ได้สัมมาสัมพุท ธ, ธเป็นชั้นที่หนึ่งวัจเจ ก, กพุท ธ, ธเป็นชั้นที่สองสาวกพุท ธ, ธเป็นชั้นที่สามสาวิกาพุท ธ, ธเป็นชั้นที่สี่คือนี่พุท ธ, ธสาวโกโอพุโทโธอีกสีย่ยมพวก สัมมาโ ก, พ, โโกพุทโธพระโสดาบันสัมมาโกพุทโธสาวกพุทโธยกพุทธะแตกจําพวกเลยสัมมาโกพุทธโธพระโสดาบันสักลาคามีนาคามีอารานีคำคำสอนของพุทธ ศ, ศาสนาสอนมากก็จริงแต่ยน่นลงมาก็จะมาเป็นเอกสารนี้ละย่นลงมาขนาหนึ่งพระตรสิฎก ไปรแพลว่าสามถ้าว่าเป็นสามกายวาชาใจีิดกกายีิดกวาชาทีิดกใจถ้าสูตรก็สูตรของกายวาชาใจพ้าประดมัิก็มัดเข้าที่กายวาชาใจว่าเป็นสามเป็นเจกาหนิบาทถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นเอกนิบาทก็อันถึงใจเราจะนับถึงเงินถึงแสนก็ตามก็ยักนับออกจากรักหน่วยใช่ไหม ถ้าจะย่นลงมาก็ย่นมาหาลักหน่วยพูดมากฝากหลายก็พูดมากฝากหลายออกไปจากมาโนคือใจน้วย่นลงมาก็ย่นมาหาใจใช่ไหมสมมุติจะมีมากก็มากออกไปจากใจถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาเป็นเอกะนสมมติเอกะสมมุติถ้าย่นสมมุติลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นนิมมติลงมาเป็นหนึ่งเหมือ น, น, น, นกันเทสนั้นพระบรมศาลาจง ย, งยืนยันว่า เรารู้สมมุติตามเป็นจริงสมมุติเรารู้วิมุติตามเป็นจริงของวมุติเรารู้นิพอานตามเป็นจริงของเนื้อผ่านแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้เนื้อผ่านตามเป็นจริงของเนิพอานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในพนื้อผ่านก็เรียกว่าเรามาอยู่เนื้อผ่าน ถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียก่าเราม่รู้สังขารเห็ุนั้นเราไม่ติดอยู่ทั้งสังขารและนิพพานด้วยเราไม่ติดอยู่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเห็ุนั้นยินยาณปติสนลพิของเราจึงดับไปณที่นั้นเอง<ม>เราเขาสัตว์บุคคลตัวตนอะไรอวิชชาปัญหาอุ ป, ปาทานอาวิชชาความโ ง, โงเ่เขลาของเราที่ความฉลาดเหนื้อไปแล้ว มันก็แตกกระเจิงไปณที่นั้นเองคําสอนนั่นพระพุทธศาสนาเขียนชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าเมธี่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั้นแหละเป็นสีนิสุทธิสมาธินิสุทธิปัญญานิสุทธิกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเอง เห็นหน้าอนิจจังคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกกันไปด้วยอนิจจังเห็นทุกคณะจิจหนึ่งครอบกับลมหายใจเข้าก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกกันไปด้วยทุกเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีแต่ทั้งขาและกองทุกเต็มยักเยอกอยู่ในโลกคณะจิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่จําเป็นจะลงโลกโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบเพราะเอาโลกปัจจุบันเป็นพยาน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 คำคำสอนของพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องจริงให้เขือ่อนเพื่อให้ใครเลาะในเชิงกาบสักเพียงในกอดตามถ้าไม่สลดใจในว่าจะสงสารก็เท่าภาษาก็เท่าบาดีบทเดียวเท่าคำบทเดียวไม่ได้พระบรมศาสดาทรงเสนอพระศาสนาตรงเสนอทำแต่ละวัดละบาทกอดตามหรือมากกอดตามเป็นเรื่องจินแต่งกวีเพื่อให้เรื่องจริงให้เขือ่อนเพื่อให้ใครเลาะในเชิงกาบก็ตามถ้าไม่มีสลดทั้งเใจ ในวัตจัรสองสารเนี่ยเท่าพาสิทเดียวไม่ได้เพ ร, ราะโลกาชาติลาภูดังนั้นทึ่รูทั้งหลายเธออย่าประมาทเธอจรงรีบทำความหลุดพ้นซะเดียวเธอจะเสียใจในภายหลังเพ ร, ราะโลกาชาติลาเธอในสัปพะใจโลกาตา เธออยากเข้าใจว่าเป็นของใหม่เป็นของเก่าที่พวกเธอเธอหลงหมาแล้ว น, นัรร่นคือพระบรมสารีรามอย่างนั้นหน้าตาของพวกเธอทั้งหลายที่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนี่ในกลับหนึ่งกลับห น, หนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ว่าสี่องว่าแต่กลับที่ล่วงไปก็มากกว่าร้อยปูดที่จะมาอีกก็มากกว่าร้อยปูดแต่ล้ ก, กับแล้ ก, กับล่วงไปถ้าพวกเธอเก็บหน้าตาของพวกเธอไว้ ชาติระยกดชั่วกับหนึ่งมาให้อันตราทานไปก็มากกว่ามหาสี่มหาส ม, มุทรสี่มหาส ม, มุทรนานๆจึงจะได้ออกถ้ามาให้อันตราทานหายไปชั่วกับหนึ่งแต่ละคนก็มากกว่าเสียมหาส ม, มุทรเน้อพระบรมราชานาแผ่นดินที่ไหนพวกเธอจะไม่ได้มาทอดทิ้งในธาตุดินธาตุาน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกเธอจะไม่ได้มาตายใส่เมื่อนี้เน้ะพระบรมราชานาตอน เป็นของเก่าของพวกเธอท่านเองที่เกิดออกมาเราสถาปัตยก็เหมือนกันจะดูของพวกเธอเก็บไว้ชั่วกับหนึ่งเก็บไว้ชาติและเท่าหัวแม่มือชั่วกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาเหตุม า, า, า, าอะไรที่ตกทั้งหลายอวาสวะกอวัยวะศีรษะทั้งหลายอืเธอทั้งหลายอย่าไปสงสัยเธอพระบรมศาสด า, า, า, าสอนอย่างนั้นในตเภโลกธาตุนี่เธอไปหาดูดู คนนั่นไม่เคยเป็นญาติคนนั่นไม่เคยเป็นพวกท้องคนนั่นไม่เคยเป็นศัต ร, คนนครูคนนั่นไม่เคยรังเกียจคนนั่นไม่เคยรักเคยชังกันมันไม่ค่อยมีนะมไม่ชาติหนึง่งเขาชาติหนึงน่งเขาส่วทั้งหลายเออเหมือนล้อรถที่วนเวียนอยู่ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเมื่อใดมีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่ทรัพทั้งหลายก ว, วนเวียนอยู่ที่ส่วทั้หลายเธออย่านอนใจ เธอยังไม่มีญาณว่าพ้นทุกนายว่าแตะสงสารโดยชิ้นเชิงแล้วผู้ ว, ว่าสุกวาชินาพวกเธอทั้งหลายอย่านอนใจเดี๋ยวจะเสียใจในายตายค่ะคำสอนของเราแต่ละบทละบาทค่อยๆก็ต้องเรียกพว ก, พวกท่านทั้งหลายอยู่มาเถิดลูกหลานเ อ, อ๋ยมาเถิดลูกหลานเ อ, อ๋อค่อยๆก็ต้องเรียกอย่างนั้นอยู่ที่นั้นเป็นที่วนวายเป็นที่คัดข้ อ, ขอคือในาตายลกกับข้เกิดและวต า, า, ายต า, ายแลเกิดเกิดและตายตายและเกิดอยู่นี้ ไม่มีวันจบสิ้นเลยเนื้อปวดสงอยู่ก็เหมือนกันคำอกหลวมราชการจงเรีบดับไฟสัไฟไม่ฆ่าของพวกเธอทั้งายไม่ศีรษะของพวกเธอทั้งายอยู่พุ่งนี้พวกเธอเองจะดับมันจะถูกไหมี้บอกหลวงราชกาพูดมาให้พวกเรานอนใจผู้ใดนอนใจในว่าตสงสารยังไม่มียาละพนทุก จะสําคัญตัวว่าเป็นโธ่ฉลาดตะเพียงใดก็าตามก็เป็นคนโง่เป็นที่พึ่งของตนตนยังไม่ได้สนิทเฉพาเรื่องภาษาดีนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเดินทางไกลพึ่งผู้ขับรถขับเรือแต่ก็ไม่สนิทหวังพึ่งตนจึงจะไม่จนลมได้ทงงุ่นท่านผู้อื่นก็สมประสงค์มา้ไม่สมประสงค์สมได้ เพราะยังมีกิเลดีเมื่อกิเลสต้องมีอยู่ในคันทะสัญญาณของพวกเธอตามไปเพราะเธอถึงที่สุดทุกข์โชอบแล้วจงทําปัญญาให้เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนเสียถือพวะรามศาสตรปัญญาไม่เกิดก็พระไม่อบรมปัญญาปัญญายับริสุทธิ์ก็ดึกบุคคลจะบอริสุทธิ์ก็พระปัญญาปัญญาโลกระม่ปัจโจโต แสงสว่างเสมอโดยปัญญาไม่มีส่วนพระอาทิตย์ที่กำบังมันก็มาเห็นซักที่ถ้ำที่เหียวลึกมันก็มาเห็นส่วนปัญญามันทะลุเลยเนเห็นอันิจังคณะกิตหนึ่งก็ทะลุโลกแล้วเพราะภูเขาจะแตจกจะสลายเป็นเรียกว่าสองทะลุภูเขาเห็นอาน้จังคณะจิตหนึ่งเห็นรอบโลกแล้ว เห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเห็นพ้อเขาลมหายใจเข้าออกทนี้อดิจังหมายละเอียดถึงเพียงน่ะหมายใกล้ๆอีกค่ะนึกขึ้นแล้วก็พูดนั่นอดิจังพูดแล้วก็ล่วงไปเสียงเข้าหูส่งลงสนใจก็ล่วงไปแล้วตาเห็นโลกก็ล่วงไปแล้วเห็นอีกก็ล่วงไปอยู่หูฟังเสียงก็ล่วงไปแล้วจิตที่นึกขึ้นพูดก็ล่วงไปแล้ว พูดกัน ม, มากปฏิสตอกันดับไปดับไปดับไปเกิดขึ้นดับเกิดแบบขึ้นดับไปเป็นไฟความั้อนถึงเกิดดับเร็วจนติดกัน เ, ดนเป็นพืชเธอทั้งหลายต้องรู้ตามเป็นจริงเถิดจงปฏิบัติตามเป็นจริงเถิดตงอย่าได้หลงตามเป็นจริงเถิดเธอทั้งหลายหลงอยู่นี้มีอยู่สีข้อพุรุษมาสนาชีา สิ่งที่ไม่เที่ยงเธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของสุขคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบสิ่งที่ไม่เที่ยงเธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ่มอยู่โลยรอบสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายถือว่าเป็นของสุขคือหนังหุ่มอยู่โลยรอบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนพวกเธอทั้งหลายยึดมั่นถือเป็นตัวตนจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกก็คือหนังหุ่มอยู่โดรอบ สิงที่ไม่สวยไม่งามพวกเธอทั้งหลายสําคัญน่นเป็นของสวยของงามก็คือหนังหุ้มอยู่ในรอบอันนี้เรียกว่าตัดชัดตาธรรมมาคือทําภายในส่วนพระเทตาธรรมมาทาภายนอกก็เหมือนกันเมื่อเห็นทําภายในชัดแล้วทําภายนอกก็อันเดียวกั น, นทั้งหมทีนี้ย่นสิ่งเหล่านี้ลงมาเป็นเหมือนสัก เมื่อเธอทั้งหลายไม่หลงใจเธอทั้งหลายก็ไม่หลงทำอันมาเป็นผู้ขับใจยน่นลงมาเป็นหนึ่งเมตผู้ใจสูงทาสูงจิงไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้จิงไม่ยึดถือผู้รู้มีในตนตนมีในผู้รู้เช่นพระพา ย, ยักไปรบกวนฟังเทศพระพุทธเจ้าบรมศาสนา ขอให้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาแท้ๆก็ฟังด้วยเออเวลานี้เราบินถมาติอยู่ไม่เป็นฐานนันอนศักที่ทระเทษตรมันไม่งานบางทีพระบรมศาสดาชื่นลงนนองฟางเยอะนี่ก็ได้บางทีกับผมชื่นลองฟางเหยอะนี่ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นไตว่ารู้เป็นไตรศตรู้เยอครับพอเนี่ยทาไมจึงว่าอย่างนั้นพราะไม่ยึดถือผู้รู้เป็น ต, นตนตนเป็นผู้รู้ไม่รู้ไม่ยึดถือผู้เห็นเป็นตนจ น, นผู้เห็น วิญญาณบาทีสัตว์ที่ก็แตกก็เจอ like ไปณที่นั่นเองก็ว่างไปณที่นั่นเองเพราะไม่มีใครยึดถือเป็นตัวบอกอันนี้เกระทำชั้นสูงทำไม kind of э ท่านยังเข้าใจเพราะท่านอบรมมาแต่พกก่นชาติก่อนสูงแล้วดอกบัวดอกบัวสมายพอได้รับรับสิ่งนี้มาก็บานรับเลยอยากว่าภกเทจะกระตริย์ปุญญาตาผู้ทําความดีในฟ้งก่อนเป็นปฏิเสธไม่ได้ เน็เตนั่นจึงว่าทําสาระว้นระบาดส่งต่อพระเนตรฟนหมโมพระโสดาบันนโมสัพพะทาคำนี้โมพะนานโมพระอรหันตอบนอบมันมีเกล็ดเน็ตนั่นทําสาระว้นระบาดจึงส่งต่อพระเนรฟานหมดมันขึ้นอยู่กับบาลานีเขาปลูกแต่กล้ามาแล้วทีนี้พวกนี้พวกพวกนี้มายังไม่ทันถามหรือไม่รู้ว่ามาจากไหนคืนมาให้ถามเสียก่อนคืนมาให้ถามเสียก่อนยังไม่รู้ว่ามาจากไหน ขึ้นมาให้ถามแค่ก่อนไม่รู้มาจากไหนยังไม่ได้ถามข่าวข่าวกันเลยไปแล้วนะกมะจกทีเดียร์ขันวะเออเอร อ, อ, อย ม, มันเป้าพามาขึ้นมาแค่ก่อนยังไม่ได้ถามกันเลยกำลังเทศอยู่ก็ไม่ไถามล่ะเดี๋ยวจะว่าซีโอไม่ได้ถามนะ <laughs> ้ก่อนโอ้แแล้วรวแล้วนะได้มาแล้วได้มากเนุเป็ุ็นตุได้มาแล้วจนก็ได้าจาจำจบบูชาบูชาด้วยอามิตรปฏิบัติบูบชาบูชาด้วยปฏิบัติกมบูชาทั้งสองอย่างก็จับเว้นไม่ได้มอนกัน แต่ปฏิบัติบูชามีอานิสงส์มากอมิสสะบูชาก็ก็มีอานิสงส์เหมือนกันแต่ไม่เท่าปจิบัติบูชาถ้าไม่มีอมิสสะบูชาก็ไม่มีที่อยู่ที่กินที่ใช้ที่สอนก็ปฏิบัติยากเหตุนั้นจะภาคกันไม่ได้ถ้าไม่มีหนังเนื้อก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหม คุณหมอเมตตาพ่กนี้จะกลับหรื อ, อ, อจะกลับตอนไหนพ่กนี้ฮะแต่ว่าทานอาหารซะก่อน อ, อ, อ, อะไรอะไรอะไรอะไรเพราะอะไร หลวงปู่จะพยายามทําความผิดชันทะพอใจรักใคร่กรรมฐานที่สั้งไว้วิทยะเพียรเหมืนประกอบในกรรมฐานที่สั้งไว้กิตตะเอาใจพระไฝ่ายในกรรมฐานที่สั้งไว้นี่มังสามันติดกองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่สร้างไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์จึงเหลืออีกสับเรียกว่าอิทธิบาทพลังอิทธิบาทคือคนเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สีอย่างหนึ่งชันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่สร้งไว้สองวิทยะ เช่นมันประกบอบในกรรมฐานสี่สงไงสามเจตตอเอาใจเขาไขในกรรมฐานสี่สังไรสี่วิมังสามันปริตรองวิจารณาเหตุผลในกรรมฐานสี่ส ง, งคุณที่อย่างนี้มีบริวุญแล้วอ่าชักนําบุคคลนด้ถึงสิ่ที่ต้องหมายถึงนีช่ชนีดเลยนี่เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาเข้าใจนะกําลังห้าอย่าง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 รวมกันเป็นเชื่อกห้าเสี่อวเยอะก็มีกำลังมากศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้างไว้วิทยาเพียนในกรรมฐานที่สร้างไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่สั้างไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายอันเดียวไปเป็นเชือกข้าเสียวเหนี่ยวร่างอยู่ที่ปัจจุบันศีลตับสีนยูลงสมาธิตั้งมั่นลงปัญญารอบรู้พขาียกาไตรชิาเหมือนกันไตรชิสาขาเ็นวดำิ ตไตรที่ขาสัพพะตาการไตรที่ขาพวานาการไตรท e ี่ขาพงศายิชนฐานเรียนไตรที่ขาจบแล้วจบทั้งนรติยัตปฏิบัติปัฏิเวศศาสนานรติยะเห็นเยี่ยมปฏิปทานนรติยะนุตริยะปฏิบัติเยี่ยมวิมุตตานรติยะคร้นเยี่ยมมาลาข้นเยี่ยมมาลาข้นเยี่ยมของพระโสดาวันเยี่ยมเป็นเอกเทศคนเยี่ยมสัพพตาคารนี้ก็เป็นเอกเทศไม่กับคืนเยี่ยมพระ นาคามนีก็เป็นอีกประเทศเยี่ยมพระทหารไม่ขบคืนเยี่ยมหมดเลยมสมมติว่าพระสวัสดิวันตีจังหวัดหนึ่งได้แล้วแต่กระเจิงแล้วไม่ขบคืนอีกตีอีกจังหวัดหนึ่งก็ไม่ขบคืนตีอีกจังหวัดหนึ่งอีกก็ไม่ขบคืนตีอีกเป็นคำรบขี้สีนี่ก็ไม่ขบคืนก็เรียกว่าพระหา ร, รกระเกียรติไม่ขบดคืน สดาบันมีกิเลสอยู่แต่กิเลสพระโสดาบันไม่สามารถจะทวาซึ่ง่นี่แต่จะร้อยร้อยลยบหดไปถ้ากาปรานเรียนาคามีความเหมือนกันส่วนกิเลสพวกที่อยู่ในโลกีมันหอกไม่ถูกเหวี่ยงกบาลหน้าเหี๋ยวก็น ห, นยวกหยุดลงวนเวียนอยู่เหมือนในอูของปันชขังเหมือนมุ่นปรีไปตามลง ไม่แน่นอนถ้าถึงพระชวรวาณานี่แน่นอนดิงถึงพระเนี่ยทางเลยเงียนั้นจึงยินดีต้องเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีถืออย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วหรืจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีถืออย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วหรือจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดี ดับเป็นผู้จะพอ่อจะแม่ในทางทาชั่วหรนอกจากใจกามีอรจะทำดีใหใ้แต่ก็ไม่มีอนไรจะทาชั่วให้ใจเหมือนกันทดีแล้วไมก็ข้อพอกยา้าเหมือนโคลวกรดีก็อะไรลงถึงใจพระใจเปนผู้ทาทั่วก็เหมนกันนี่หลบของการมที่ สินห้ามีตัวเดียวถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกห้าเดียวอยู่ที่รวงใายสินแปะก็ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปะเดียวอยู่ที่ใดสินสิบก็เหมือนกันสินสองยีสิบเอ็ดก็เหมือนกันแปดหมืนชี้พระธรรมขันธ์ก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นแปดหมื่นคือพันธรรมขันธ์เดียวอยู่ที่ร่างกายไตรชิกขาเพราะว่าไตรชิกขาหมายถึงสียสมาธิปัญญาธรรมิกขาบทหมายเป็นบทหนึ่งธารมไตรชิกขาหมายทั้งเสียสมาธิปัญญาด้วย เนี้ยเรวนีเวน้เวเนี้ยเผู้ฟังทาย่อมได้ฟังสิ่งที่ยะมา่เคยฟังสิงใดที่ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมใจสิ่งนั้นครับสามบรรทาความสงสัยเสียไ ด, ได้ที่ทำคามเหให้ถูกต้องห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใจริงกันที่ขังแหกการบำเพ็ญบุญยกบุญพิยาวัตถุดโดยย่อมมีสอย่างทานไ ม, ม่หมดสิเรจารการบริจาคทานที่ไมมดสาเรจารการรักษาสิี่ภาวนาไมีก็เหลือดการเี่ยภาวนาอันนี้มีสามายอย่างอย่างมีสิ สีอัปจายงทำไมมันสังเกตุการ์พือทงนแก่ผู้ใหถ้าวายาว่าทำไมันสัเกตุการเพื่อความสวยนั่นคือที่าภปัิการทำไมมุนสําเกตุการให้ส่วนบุญบุญและอุชิตหาท่านพูดว่ารับไปนี่แต่างใจรักาแต่ว่าปฏิการทำไมมัทสานเกตุรปัจจานโมทนายมลนสังเกตุการอนโมทนาส่วนบุญอนโมธนา้วยใจพอดีอนโมธนารวยมืออามิธเป็นพยานิเป็นบุญทั้งนั้นธรรมมัชฌมณนัยมันสังเกวุการฟังธรรม ธมเทสนายเปเสถียรในการแสดงครับแล้วพ <as> ัฒนาธรรมะตอนนั้นช่นาทิให้ทานอะไรก็ไม่เข้าให้สมนะครับให้ทำเป็นทานชนะทานชัางปูทิศถุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญกรงเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลในความมีบุญปู่บุญญาคุญตาบุญาเนี่ยคืนของท่านผู้มีคนมีอันนี้ถือว่าเป็นทิศถุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าทำมีได้ดีกาช่วยด่วก็เป็นทิศถุกกรมการทำความเห็นให้ตรง อันนี้ก็เป็นลุญอันหนึ่งผู้ถือศาสนาพุทธอารมณ์ของเขาเป็นบุญเป็นส่วนมากเพราะเึกไปแต่ทางบุญเป็นส่วนมากมัคคารมนาทำมามัคคารมณข์ม ข, มของผู้นึกไปในทางดีมันก็เป็นดีบวกดีอยู่ดีใจผู้มีความเห็นอะไรมีบาปมีบุญผู้นัน้นก็จะถ่มบา ไปวังไว้ข้างแล้วก่อขึ้นอีกไปโกรธพระอทหารน้อมจนไม่มีรอบไม่โกรธไม่หลงแล้วทไมมาเกิดใจญ่็บตายเองด้วยเยกว่าพระทหารเรียนโมจกใช่ไหว้ปัจจุบันพระสุดาบันปัจจุบันสักกาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระทหารปัจจุบันพระปฏิปัจจุบันพระสมัยสัมพุทธเจ้าจะเอาไปเทียบกันไม่ได้มียิ่งยอนกว่ากันทุต่าสี่จำพวกสมัยสัมพุทธจำพวกหนึ่ง วัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาจำพวกหนึ่งทีนี้พุทธะขยายออกมาอกีกสวัสดิบาลสาวกโกพุทธโธเป็นเอกเทศสังกชาคามสาวกโกพุทธโธเป็นเอกเทศไปอกีกพุทจากกิเลสเป็นเอกเทศพระอนาคามีสาวกโกพุทธโธห ร, รือสาวิกาพุทธา ถ้าเป็นพระถ้าถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นเพศชายก่สาวกโกอะรหรันสาวิกาอะารหรันมีเรียกว่ารวมเป็นพระอรหรันรวมเป็นพุทโธแปดจําพวกบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ระบาปรวมเป็นบน ธรมโมอรงไหวซึ่งผูรูล้ละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญแต่ไม่ไอธิบายพุโทโธให้ปะปนกันต้องมียิ่งมีย่อนกว่ากันผู้ฟังก็ไม่ตัดเราก็ไม่ถนัดเหมือนกันส ม, มาสัมพุโทโธเป็นขั้นที่หนึ่นงวจเจกขพุโทโธเป็นขั้นที่สองสาวะโกพุทโธสาวเป็นขั้นที่สา ม, ท, สามที่สี่ของสาวิสัยจะปฏิเสมอกันไม่ได้เช่นปัจจุบันพระสวดารรมในปัจจุบั น, กนสกทาคามีนาคามีอารหัน ตลอดทังพัจธุบันพระสัมมาสัพพะทธเจ้าและพระพุทธเจจะไปเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งย่อนกว่ากันใช่หรือไม่ไคําสอนใจและบทระวาติส่งต่อกันในพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่ข้ามาแล้วถ้าบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ส่งต่อพระในพานได้หมดพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระในพานได้พุทโธแม่มาเกิดพุทโธแม่มาแก่พุทโธแม่มาเจ็บพุทโธแ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่มาตาย ที่นี่พุทโธกี่คือคือพุทโธยังไงพุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัตรพุทโธเบอร์ใช่ไหมเช่นพระพานียะบัรมีแก่กล้ามาแล้วไต่รกวนฟังเทศทพรมศสาสนะเป็นฆราวาสอยู่ขอให้องค์สาเร็จทพรมัสสาสระ ท่านก็ฟังด้วยเออเราเว้นเท่าบาทอยู่ไม่สมควรบางทีพรอครูรรมศาสตรนาสินลมพานในขณะนี้ก็ได้บางทีกับผมก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นจะสักวารู้เป็นจะ ส, สักว่าเห็นครับพอแล้วแต่ฉานอาพระธรรสัมมาสมทสีเหตไฉนถึงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไดสร้างบารมีแก่ข้ามาแต่ก่อนแล้ว ทำบาดคาสาเดียวก็ส่งต่อไปในพานหมดอธิบายดูดูทําไมที่ว่าเป็นไสักว่ารูปเป็นไดสักว่าเห็นไมายความว่าย่างไงเป็นไดสักวว่ารูปเป็นไสักว์ว่าเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่าไปยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอนัตตารมอันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้ยึดถือใดๆทั้งปวงเป็นไดสักว่ารู้เป็นไดสักว่าเห็นทีนี้อวิชาตัญหาอุปทานอยู่ เนี่ยเราาขาวนี่ยมาเหยียบมันชกกระโปงในอย่างหนึ่งเฮ้ยเกีเ่ยวกที่รู้ง่าขีมาเหีน้นกันขึ้น <c oughs> ปัญหาโลกมันย้ำมาหลายแท้กี่เรียนหลายปัญหาก็หลาย น, นี่แหละเพราะีนผ่านมันมีปัญหาเนี่ย โลกนี้มีปัญหาเพราะกิเลสหลายกิเลสมันมาจากไสสนิมมันมากจากไสมันก็นมาจากอยากเล็กผลบ่มีเล็กสนิมกับบ่มีผลเล็กดีผนบ่มีสนิมกิเลสมันก็นมาจากใจ นใจพ่จ อ, อ, อจากกีเด็แล้วกีเด็กับพวกนี้ไหน้ัจักอาบหน้าร่างกายมันชกกระอนี่น่อยมาจากไซจ์ฮะมาได้กว่ามาห น, น่อยเลยมันชกกระป๋อ แต่ยังจะปฏิบัติศสียง ร, ร่ำยิดใจประสบกระโปง ก, การคล้องอเครียดพูดสอนดีกมูพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะเคยประสบการณ์มาแล้วใครประสบการณ์มาเกณฑ์กมูพระพุทธเจ้า ประสบการณ์ในท่างดีกับเนือเพื่อนประสบการณ์ในท่างซัวกับเนือเพื่อน <c oughs> เหตุเช่นไรเหตุเช่นสัน่นจึงสามารสอนโลกไม่อสอนโลกเกงกงสู่พระพุทธเจ้าก็ได้มาเป็นนุกยุก็มาสอนอันเดียวกันสอนฆราวาสกับไม่มีบนแท่งสอนพระเนื่อกับม่มีบนแทง สอนเทวุธเทวลาย็างพิ่มกับวิวิบนแท่งสอนพระรหันกับวิวบนแท่งเพราะประสบการณ์เอนไว้แล้วผู้อวดดีตัวค้าสอนพระพุทธเจ้านะัทั้ทาท่้ง ท, างท่งทางตัวเป็นผู้สลัดาก็พระพุทธเจ้านะ เป็นนิท่านอื้งอางกับง่วแมนบแมนโพดงัวตัวนึมุน่นหาจินอยู่ตามไสทงหอดคู่ขันหน้าบานึงงวอไปเหยียบขอกอึ้งอ้างตายขอกหนึ่งเกือบมดนั่งเหลืออยู่แค่ตัวเดียว แม่เอออาไปหากินกลับป้าเห็นแล้วลูกเข้าไปใช้บัตรไม่สัดตัวหนึ่งไงวะนี่สันเอะเอะเอะ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนั่นเม่เหยียบลูกแม่ตายวัดรนั่นจะผมผู้เดียววะสัน อันตายเลอจักไปใส่เลยส่สนนี่ผูเ้เอาทีมขนกัพรจักหรือคนไปพบไปพ่อหรือทีมขนกัพรจักหรือเอาไปเขาไรจักถว่าก้าวตัวใหญ่แไหนพระันโอ้ใหญ่หลายเลยสันไดเบ่งท้องออกเท่านี้ไหนบอโอ้ยจะสบอซามัน เบียวเว่ยงออกอีกข้อนี่ไหนเพราะเ้ยเศ้าเจร้าใบ้าไก่เบี่ยงออกหอดเก่าเทียชิบเทียโอ้ยยังบ้อนหอดท่องแตกตายค่าทีโลกขึ้นกันนี่นหละหนีท่ามทาเป็นผู้สลัดเข้าบอกผูเจ้าไม่ได้ท่องแตกตายค่าทีอยู่เสงไหนบ่นไหว้ไส้ขอ ง, องกันเงังไ ใครเป็นทูตชนะสงข้ามในโลกอันนี้เขาไม่พระอาหารหันจังพว่เดียวสระสงข้ามล่างโลกเพราะไม่โลกไม่โกดไม่หลงซู่นั้น่ามันชนาสงข้ามนะนี่จะเว้นไพ่สนองเว้นสนองไพ่กันนาวจ้าสงสารทางเรียงเสีสัพกพุไปเจ้าซ้อนบอริบูญ ถูกทาสาววิ่นเตชะนั่งคนมันยอมหาทรัพย์ใดว่าไม่วันไปเรียนีเรียนภาษาเรียนบัตเรียนเบอร์คือม่เฮามันทักการทํกงานม่เฮาองมันไปเรียนีเกเรียนภาษาเรียนบัตเรีนเบอร์เปนนใหญ่เนี่ยนี่ซาสีมพื้นงแไฟสู๋ๆโดนของกูเกงได้ ไม่แดงฮะบุทิมสใส่ยังทะเบิ้ลด้ะไม่แดงคือยังคือล่งทุนหลขเขาคาดว่ไมแดงทำไมลําปอสันล่องทุ่นน้อยๆิมไสกับไม๊บบาดยาถิมไสกับไมแดงจึงคึงในจะทานมันในจะเทามันถิมเพื่อนสไฟเหลกอดก่อนเ่อนมาก บ้นกระพิดตำหน้าของมาตถุกระจาเดี๋ยวจะขีดเทาขึ้นผูใ้ใดเห็นเรีก็รู้ว่หลักสายสานสายปานสอยเสือไทยปานหน่อยหลายๆขีฝากท่าน่าขั้นเดยนะไปติดต่อเข้าไ้มันทิ่อังกันว่าชวิผู้ฝากเล่นให้กะเสียหายเห็นหน้ากะเสียหน้า ไฝ่ไม้เงอนไม้ซานมั่นกับไม้ผาไมแพ้ไฟไม้อย่างเงี้ไม้ฟ้าไม้ว้ไปเบอร์ที่ดินมันกับไม้เมด่อไ่กองแขนก้องขาเมื่อไหร่แขนมันมันไหววัดตุ่หูตุ่มหางมันหน้าที่กาแขนเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันกับไม้วัดรถมอตายไวั้งนะรถมอเตอร์ไซค์บ่เอนเอ็นรถมอตายไซค์ว้ ร้านหลูลกร้านห่อดุขางออกคนหนึ่งเล่าซื้อเหล็กเจ๊กซื้อดินขายหน้ามาซื้อรถ่าทีคือขี้รถไปสื่อเล็กเจักขอหรอ คนหางคนเม่เขา เ, าเากล็กเกิดจับฝักญี่ปุ่นขึ้นมาจาักน้อยไครถูจับฝักเก็กขึ้นมาเล่าจับแปะควมดาบสบายเผอเืออลไรญี่ปุ่นกักระโดดขึ้นใช้เกระซากแล้วเขามันบักไปอย่างเงี้ย เมื่อเจ็ดกัขาดเมื่อไท่กัขาดเมื่อเล้าก็ขาดตกดาบก็ร่ำไปปุ่นผุนเลาะอดสานเมืองอุดรลูกล้านเขาขายถิ่มบดเมื่อรดกผูรหานชิบลานก็ไม่ที่ดินเมืองอุดรเพราะเจ้กรมันเป็นบ้านเป็นบ้านมักแข่งเลยตั้งบ้านนี้เป็น รัการที่ที่ 4, ที่สามบนกนป็นบ้านมาแข่งมันหกกรตั้งเมืองอุดรวังข้าเกิดเนี่ยกินนบนมาแขงด้ที่ดินก็ออมเมือมาหลายด้ยค่มันเอาไว้ซเมือนี่นก็ือเขาายไ่างน่อยย่างนอ่อ ย, งนอยกับผู้ละหาทิพ์เก็บทิพล่างเศษ เ, ศษเศษทศยบสบาลสัําคนทัรอบเมืองถ้าใครขายทิ่เมิด์ขายตะปาง ห้องกีหลังคนแต่เดียวนี้อันพักการค้าผู้ละสี่แสนห้าแสนแต่เดียวมันเดี๋ยวนี้มันขึ้นตั้งเจ็ดสิบ้ลานแปดสิบหลานคนพักการค้ไที่เทียวว่าท่านพ่อเนี่มันที่ท่านพ่อยังไงตั้งว่างว่างห้าเกิดในห้องขอห้องก็แปดสิบพวงนะได้กี่มันกับเป็นบ้านมักแข่ง สมัยแห่งขาโรงเรียนมันเป็นมณฑนสมัยแห่งขายรงเรีย้ยงรัชการที่หกพระยาศรีสุริยราชวารานุษสมุหเทสายพิบาลรองอมานเอกหลวงพ่อนิชัยชอบศึกษาธิการมนฑนรองอมานตรี พระพิทักษ์พนมนครผู้ว่าราชการจังหวัดรองอวมาโทโรพระพิทักษ์พนมนครผู้ว่าราชการจั ง, จงหวัดรองอำนาจรองอวมารตรีคุณทิสารมรวิศศึกษาธิการจังหวัดหลวงพระอารวินิจหลวงสุพระอารวินิจในอำเภอม า, าระแหงน่านรุษเฉยอินทุมา พวกา า, กาจักรอำเภอเขาคืออไรงืนน่อนโทษคนหนึ่งมีลาบมียดแหมใส่ซื้อเ้าเลยมหาเสวกโทรพระยาศีสุริยะราชวราณวัดวัดอันนี้วัดฉะนีสมุหเทสาเิบาลพูด นุ่งเสือเ้อใหญ่จะกล็ดพี่ตกพี่ล่ะมัดเย็งขนาดนจะเกลี่ยเ <c ười> แล้วเจ้าหน้าใหญ่่นก็นุ่งผ้าม่วงใส่ถุงขาใส่ถุงขาขาวก็ใแสบบ่รองเท้ามัดเย็นขนาะดไนมัดเมื่อุดนรนมีรถจักรยานสองสามขั้น เป็นนักเรียนญาติกันเลยรัยไปเบิง้งบริษัทรถย่อนมารถย้นแนวหันหัวนะล่ะวุดวรถจี๊สูกแลนฝ้าคงจงจงแนวหันหัวญนะาติกันเข้าไปเบิง้งฮะเออแนวหันหั ว, หวนะกลางขาออกสลักหันหัวหนะมุนเจาะเจาะเจานี่าว่าบอกกัน สูส้ๆจะไปใกล้กัผีสิ น, นผีอยู่ในหันพว่าแล้วพ่อ ก, กุ้งจงเนี่ยคนท่ากับพันล้านาอย่างเนี่เดี๋ยวนี้เรียบวุดปัดเ้อสร้างเมืองนี่จะ้ะองห้นงักที่ดินล้อส้างเมือง อ, อุดร้ีนเตทศบาลสองมันท่าอรอบเมืองพอไปใช้เงนพอเตือนตนื่นเงินแสนเงิน เงินล่ามลามเนี่เขาหายเลยบัดเดี๋ยวนี้ซุ้งขายราคาแสรนราคาล้านว่าหาหกปีลังมันมันขึ้นเกียจชิแต่ที่ลานคนเดียวนี่ <c oughs> <c oughs> มันไปน้ำหนังมันก็ไปน้ำเล็กน้ำผานน้ำบ้านน้ำเบือ่อน้ำเหล่าเดน้ำการพนันนี่ เปนจากมนุษย์สมบัติจังจะเป็นสวรรค์เหลี่ยนจากมนุษย์ม่บัตรจังจะเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์บัตรเืี่ยงอบัยจะหมดทุกภพเหตุมนุษย่บัตก็เป็นสวรรค์ไบัตรก็เป็นพวกม่บัตรเป็นยี่พาณิบัตรนกันนี่เฮาไมโรบกวนไแน่เนี่ยไหอกหัวใจหลอกหัวใจตีบเราเดินวัสดุก ยาปลา โ, โลกมาโตปัพสาวะมุดสะกุกยาปลโลกพุ่มแผลยาโลกสมองดีเป็นนิวยาปลาโลกใส่เลือดใส่ชขมคัดงงวมุ่ยนกพาพวจัด มเป็นวนข้างคืนนะโรงเขายาหวานนี่ท่อดม้มันเอายาท่านะท้าโยมันทางบอดีแล้วขีขานยาชั้นกับชั้นโยมันบอดีแล้วขีขานต้องชี่หามือหลังนี่กับท่าโยมันบ่ถือแล้วขีขาน มาธานมว่าพาว่าสักเมื่มาาโโอ<ะ>โตมาศักดิกด์สิทธิฮะมากี่คนคณะพุทธธรรมสงฆ์ เ, ออเคยมานี่กี่ครั้งแล้วจำไม่ได้คณะพุทธทรรมสงาสามามาจากออกจากกรุงเทพมากีวันแล้ว เ, เ, ออเออออ เป็นเหตุให้ระอาในวัฏจักรสงสารเห็นอันนี้จังณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังเห็นทุกนธนคิดหนึ่งพ่อมกลมออกเข้าก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพรโลกจต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้จังหมายความเพียงไหนนี้ นึกขึ้นแล้วก็พูดก็รวงไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็รวงไปแล้วพอรู้ว่าลมหายใจเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอรู้ว่าลมหายใจออกมันก็อดีตไปแล้วพอรู้ว่านึกคิดมันก็เป็นอดีตไปแล้วพูดขึ้นแต่ละคำละคำก็เป็นอดีตไปแล้ว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 สังขารเกิดดับหาระหว่างไม่ได้ติดต่อกันจนเป็นพนืชทำฝ่ายไม่เกิดมาดับก็ไม่เกิดไม่ดับไปไหนคือพระนฟานทำฝ่ายสังขารก็เกิดดับอยู่หายว่างไม่ได้ทำฝ่ายสังขารแบ่งเป็นสองทางทางบุญหนึ่งทางบาปหนึ่งทางกลางกลางไม่บาปไม่บุญก็แบ่งออกอีกถ้าทำบุญพอแล้ว ก็เข้าสู่พระานไปสักถ้าบุญยังไม่มพอก็เข้าสู่พระานไม่ได้ถ้าสติปัญญายังไม่เนื้อความหลงก็ข้ามความหลงไม่ได้ถ้าสติปัญญาเนื้อความหลงแล้วก็ข้ามความหลงอยู่ละที่นั่นเองอดีตคืออะไรคือสังขารใความทุกข์เสื่อมวางไปแล้ว อนาคตคือสังขารและความทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารและความทุกข์ที่ยังเป็นอยู่เมื่อใดเห็นสังขารแล้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอมน้อยในทุกข์นั้นแหละทางแห่งวิสุทธิสีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมคืนกันในปัจจุบัน เสียสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีลสมาธิปัญญาของพระสกทาคานเสีลสมาธิปัญญาของพระอนาคานเสีลสมาธิปัญญาของพระานเสีลสมาธิปัญญาของพระหานกลมคืนกันเป็นมหาศียงเป็นไตรศิกขาอันเนื้อเหตุแล้วฝพ้นไปแล้วปัจจุบันพระโสดาบัน วัจจุบันสักคาคามีอนาคามีอัลหัน์ปัจจุบันพระโสดาบันพ้นจากสิเลตเป็นเอกเทศพระสักคาคามีอนาคาเม่เละเอียบไปกว่านั้นพระหัน์เป็นปัจจุบันที่พ้นไปแล้วปัจจุบันที่ไม่มีกิเลสไม่มีโรคไม่มโกรธไม่หลงนโมพระโสดาบันเป็นนโมที่ไม่หลงทางนโมแปลว่านอบ น, อ น, น้อมนโมพระสักคาคามเป็นนโม พระสสดาวันละพุนจากเกิรเป็นเอกเทศพระจักรพารดาิ์ีเก็เป็นเอกเทศพระน า, าคามีต้องละเอียดไปก่อนพระอาณาหารเป็นนโมที่จบแล้วนโมแปลว่านอบน้อมจนจบแล้วนอบน้อมจนไม่มีเกเรไมันมีราคะโทสะโมหะเลยเรือ่องอยากมาพระรหารเรียนนโมจบแล้วพระสวสดาวันเป็นนโมเบื้องต้นนโมพระสวสดาวัน เปโลคุตระนโมบ้องต้นของพระพุทธศาสนานอบนอมไม่มีเิศนอบนอบไม่ร่วงระเมิดศีลห้าไม่เียดายร่วงระเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะเล่นอวัยวุฒิไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเรื่องดียามดีไม่เสียดายอยากจะค่าขายเจ้าฝานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวข้าพูดเรื่อาหาร ค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค้าขายห้อาอย่างนี้พระสวัดิวันไม่เสี ย, ยาดายอยากร่วงละเมิดเลยไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดสิ้นทาไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอาวานิมุกสิ่งไหนไม่เสียดายล่วงสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจยกพระธาหอนไม่เสียดายร่วงละเมิดลุ้มฐานเพลนไม่เสียดายอยากลงไปลุยมันหนักใจไหม มันก็ไม่หนักใจพระสุรดาวันก็อย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงมีดวงตาเห็นธรรมเห็นหนทางไปสู่พระนิพพานจำความพระสุรดาวันลงมาก็มีนโมเหมือนกันนโมเปว่านอบนอบนอบนอบหาหนโมเล็กหนโมผาหนโมบัตหนโมเบือเป็นหนโมโลกีได้อันนี้สงอยู่แต่ว่า ได้วนน้อยโลโกกหลานจงเป็นพระโสดาบันสักดาเสียใจ้วงเมื่เสียนหน้าพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนผ่านสมบั ต, ต, มมมติไปในตัวเป็นพัฒนาวัตถุนิยมและอุรมณ์คติไปในตัวแล้ว ได้ซับเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็ไม่เท่าได้ซับภายนอกตึมแผนฟ้าแผ่นดินก็ไม่เท่าได้ถึงพระโสดามันเป็นจนจนถึงอลหลาห์พระสวสดามันไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ได้ถึงกับจองเวรมนถึก กูไม่ได้มึงฆ่านั่นกูจะเอาเมืองฆ่านี่ไม่มีในพระโสดาวันเลยถ้าเคยทํำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปสักถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปสักข้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยนั่นภูมิพระโสดาวันข้าจะไม่หมกเวรไว้ในโลกเลยเหตุ น, นั้นจึงไม่เสียดายรื่องละเมิดศีลหน้าเมื่อไม่เสียดายรื่องละเมิดศีลหน้า ก็ปดเวรภัยแล้วปดอาวุธที่เป็นเวรเป็นภัยแล้วเวทละมานีเวทละมานีคือเว้นแล้วในเวรอันนี้ชิ้นห้าถ้าไม่ใช่ด่ายรวองละเมิดมันก็เป็นเชือกห้าเกลียวรวมอยู่ที่ดวงใจเป็นสินตัวเดียวชิ้นแปดก็เหมือนกันชินเห็บก็เหมือนกันถ้าไม่ร้องละเมิดก็เป็นเชือกสิบเกลียวหรือแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจเพราะทำสงก็ทรงอยู่ที่ดวงใจไม่ทรงอยู่ที่ดินฟ้าอากาศ ไหนอ่อะไอความมาให้เกิดคือความโง่ความหลงพาให้มาเกิดคืออริยนาคือที้เหร่พาให้มาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็เป็นทุกแต่ทุกเจ็บทุกตายทุกโรคทุกโกลทุกโง่ทำลายเครื่องเกิดโวดซักคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่มาเกิด หลงคือหลงอะไรบ้างหลงของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกควาเป็นของสุขหลงของไม่ใช่ตัวตนมะเป็นของตัวตนคือนั่งห่มอยู่ในรอบหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือน้่งห่มอยู่ในรอบถ้าไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ข้ามเทหลงไปแล้วอดีตคืออะไร คือกองทุกเ ท, ท, ที่ยวกำงไปอนาคตคือกองทุกเที่ยวมาถึงปัจจุบันคือกองทุกเที่กําลังเป็นอยู่ผู้เห็นตามจริงอย่างนี้นั่นแหละคือใจสี่ขาเสียนสมาธิปัญญาหรวมพนกันเมื่อใดเห็นสังขารนาั้นเที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ย่อมนายในทุกนั้นแหละสื่อในสติสมาธิวิสุทติปัญญาวิสติ กรงคืองานอยู่ในปัจจุบันทำเบ้านท่ายของพุทธศาสนาทำเบื้องต้นของพุทธศาสนาเพราะในธรรมะหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบถ้าเป็นฆรวาสก็เว็นอบายยมุกซักใหมีเสี้หน้าบอลลีบู์เมื่อมีเสี้หน้าบอลลีบู์แล้วเป่นอบายยมุกทุกประเภทแล้วไม่ถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่ถือเลือกดียามีไม่ถือศาสตาอื่นไม่เสียดายอยากจะกรองเวีนท่านผู้ใดผู้นั้นเป็นโลคุตระจิตโลคุตะธรรมแล้วเป็นพรหมจันทร์เบื้องต้นจะเดินจงกรมภาวานาจนเท่าแตกก็าตามจรวดอาหารจนคุ้มผมคุมขนหล่นก็าตามถ้าเชื่อใจอยากลองเลืเหมดสินห้า ถ้าเสียดาอยากร้องระเบิดอบายมุกอูถ้าเสียดาอยากจะถืออยู่ยงคงก็พันถ้าเสียดาอยากจะจองเวรท่านผู้ใดอยู่อันนั้นก็ไม่ใช่พรห ม, มจรรย์เบื้องต้นยังเป็นโลภีวนเวียนอยู่ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นมนุษย์สวรรค์เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตพรสมบัตินิพพานสมบั ต, บ ต, บ ต, บ ต, บติไปในตัวไม่ได้สงสัยว่าจะถอยหลัง ไม่สงสัยว่าจะเลยวส้ายและขวาเดินตรงข้ไปถึงพรนิพานหรือคือจิตใจละสัตยะทิดฐิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวในพระพุทธธรรมวิสุงเลยละวิจีจิจฉาความสงสัยรังเลในพระพุทธศารรสนาเลยไม่รูบคำในพระพุทธศารรสนาด้วย คำสอนพุทธศาสะนาะเป็นคำสอนแห่งโลกุตรธรรมเดินตรงเพื่อไปสู่พรกนครไม่มีโรคีมาผนเปื่อที่เอาโลคีมาผนเปือก็คือเอาคำสอนลัที่อื่นมาปนเปื่อตัพบพระพุทธศาสะนาะก็ยุ่งเเยิงกันไป ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระหลานปัจจุบันพระหลา์ ies, เป็นปัจจุบันที่ทพ้นจากกิเลสยบแล้วปัจจุบันพ like. ระโสดาบันเป็นปัจจุบันที่ละเอกที่ละกิเลสไปเป็นเอกเทศกิเลสอย่างหยาบๆท่านละได้แล้วโลกโกรธหลงอย่างหยาบๆที่จะพาไปสู่นรกที่จะพาไปสู่สัจจิจฐานและเปรหตุทั้งหลายพระโสดาบันท่าน พ้ไปแล้วยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดอ ย, อย่างละเอียดนั่นพระอาหารหันต์พ้นไปแล้วเหตุฉะนั้นพระสุธาวันจึงเรียนนโมเบื้องต้นพระจะคกะทาคารีละเอียดไปก่อนนั้นอนาคารีละเอียดก่อนนั้นพระอหันต์เรียนนโมจบ น, บนอบจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายไม่มาโรคมาโควมาหลงเองพระอรหันต์เรียนนโมจบ แต่น้โมชาวโลกทั้งหลายเป็นน้โมโลกีน้โมเลขหน้โมผานหโมบัตรน้โมเบือเป็นส่วนมากนอบนอมเพื่อต้องการเลขผา้าบัตรบือส่วนพระโสดาวันใครเป็นเป็นผู้มีหน้าที่จะเปลียนได้ฆราวาสก็เป็นได้สัาทตาคามีนาคามพระทหารฆราวาสก็สามารถเป็นได้เช่นพระทุตโธทนะก็เป็นฆราวาสพระารามแต่เมื่อท่านพ้นจาก พระอาหันหเนี่ยท่านไม่ใช่ใดอยากจะอยู่ในโลกท่านก็เลยลาโลกไปซักพระพาหิยะเหมือนกันท่านก็เป็นฆราวาสเป็นพนาาระอรหันท่านไม่ใช่ใดอยากอยู่ในโลกท่านก็ลาโลกไปสักท่านไม่อยู่นานไม่สมฐานะของท่านพระอนาคามีจะอยู่นานก็ได้จนตลอดสิ้นอายุไขพระอนาคามีแต่ท่านม่มีกิเลส ไม่มีโรคไม่มีโกรธแต่หลุงของท่านมีอยู่ว่าโรค ก, กับโกรธของท่านไม่มีเลยผัวเมียเดียวนอนอยู่เตียงเดียวกันก็ไม่ทาอะไรกันเพราะจิตเรศราคะกับโทสะขาดเกเรียนไปแล้วเหมือนพี่กับน้องนอนอยู่ด้วยกันหรือเหมือนก้อนดินนอนอยู่ด้วยกันหรือเหมือนพวงดอกไม้อยู่ด้วยกันเตียงเดียวกันไม่ได้ทำอะไรกันเลยนั่นพระอนาคามีส่วนพระทหารพนไปแล้ว